มัชิมะปัญนาตขหปฏิวัตห้าสิบเอ็ดกันเทรสูตรแสดงถึงบุคคลสี่ประเภทแก่บุตรควานช้างชื่อเปตสัะและกันเทระกับปริภาชกเปตสัะแสดงทัศนะน่าฟังว่าสัตว์เดรัจฉานดูง่ายมนุษย์ดูยากปากอย่างใจอย่างและสรรเสริญสติปทานสี่ว่า เหมาะแม้กระทั่งแก่ขารือหัดทั่วไป 52. อัฏกะนาคระสูตรพระอานน์แสดงทางพระนิพพานเริ่มตั้งแต่ระดับต้นๆจนสุดท้ายแก่ข้รือหะ บ, บดีเมืองอัฏกะชื่อทัศมะฟังในพระสูตรนี้ใช้คำว่าอบปฏิกะเป็นชื่อเรียกพระอนาคามี 53. เสขะปฏิปทาสูตรเป็นเทศนาของพระอานนท์เรื่องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติฝึกฝนตนของพระเสขะคือผู้ที่ยังต้องศึกษาปฏิบัติอยู่แสดงแก่มหานามสักยะที่สันทาคารเมืองกบิลพัทหสิบโปตาลยสูตรแสดงว่าผู้สละสมมุติอย่างโลก โวหารสมุดเจตที่แท้จริงต้องมีคุณธรรมแปดประการเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เป็นต้นพระสูตรนี้กล่าวถึงโทษของกามไว้อย่างน่าฟังยิ่งห้าิบหชีวะกะหรือชีวกสูตรหมอชีวกทูลถามเกี่ยวกับเรื่องการฉันเนื้อสัตว์แก้ข้อสงสัยของคนทั่วไปในเรื่องนี้ได้อย่างดี ประวัติหมอชีวกอ่านชีวิตตัวอย่างของผู้บรรยายในทีน่นี้หมายถึงท่านเจ้าของบทความนะครับคือท่านศาสตราจารย์พิเศษสเทียนพงว์วรรณปก 56. อุปาลิวาทาสูตรโตตอบกับอุบาลีคหาบดีสาวกคนสำคัญของนิครณทนาตบุตรคือมหาวีระเรื่องกรรมซึ่งนิครน ใช้ศัพ์ว่าทันทันคำเดียวกับคำว่าโทษทันนะครับอุบาลีเรื่อมใสหลังจากได้ฟังอริยสัจขอมอบตนเป็นสาวกแทนที่จะทรงรีบรับพระพุทธองค์ตรัสให้คิดให้ดีก่อนห7บกุกูโรวาทสูตรแสดงแก่ชีพเลื่อยชื่อแสนิยะและปุณณนะโกริยบุตร ผู้ประพฤติวัดคลานสีขาเหมือนสุนัขเรื่องกรรมสีได้แ ก, กำำ่กรรมดำกรรมขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวกรรมไม่ดำไม่ขาว 58. บอภัยราชกุมารสูตรแสดงแก่อภัยราชกุมารโอรสพระเจ้าพิมพิสารเรื่องวาจาเช่นใดที่พระองค์ตรัสและไม่ตรัส ห้าสิบเก้าพระหุเวทานิยสูตรแสดงเรื่องเวทนาประเภทต่างๆมากมายถึงหนึ่งร้อยแปดอย่างและแสดงถึงความสุขระดับต่างๆถึงสิบชั้นหกสิบอปันนกสูตรว่าด้วยธรรมะที่ไม่ผิดสี่ข้อซึ่งได้แก่ความเห็นถูกต้อง ตรงข้ามกับมิจฉาทิฏฐิต่างๆเช่นนัตถิกาทิฏฐิอากิริยาทิฏฐิเป็นต้นพิกุวัก6กอดจุลราหูโลวาทสูตรพระพุทธองค์ทรงประธานโอวาทแก่ราหุลสามเณรตรัสสอนเรื่องโทษของการพูดเท็จพร้อมทั้งใช้สื่อการสอนด้วย เพื่อให้เหมาะแก่เด็ก 62. มหาราหูโลวัทสูตรตรัสสอนภาคปฏิบัติที่สูงขึ้นคืออาณาปานาสติเมตตาภาวนาแก่พระราหุล 63. จุลมาลุงกโยวาทสูตรว่าด้วยอัยยากตะปัญหาคือเรื่องที่ไม่ทรงพยากรสิบข้อ เพราะไม่มีประโยชน์อุปมาด้วยบุรุษถูกยิงด้วยลูกศร อ, อาบยาพิษน่าฟังและทำให้เข้าใจแจ่มแจ้งดีมาก 64. มหาลุงกโยวาทาสูตรทรงแสดงสัญญน์เบื้องต่ำห้าและปฏิปทาเพื่อละสัญญชนั้นน่าสังเกตว่าพระองค์ตรัสว่าเด็กอ่อนไม่มีสักกายทิฏฐิ แต่อนุสัยหรือกิเลสแฝงตัวเป็นเหตุให้ยึดถือว่ากายของตนนั้นมี 65. พัท ธ, ธาลิสูตรตรัสสอนพัท ธ, ธาลิภิกษุให้ทำให้บริบูรณ์ในสิกขาพระสูตรนี้กล่าวถึงพระสมัยพุทธกาลฉันอาหารมื้อเดียวพระพัท ธ, ธาลิอ้างว่าไม่สามารถอยู่ได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่ากินเพื่ออยู่สบายมือเดียวก็พอ 66. ลัทูกิโกปมาสูตรสูตรเปรียบด้วยนกไส้นกตัวเล็กเห็นเทววันเล็กๆมันก็นึกว่าเส้นใหญ่เลอเกินแทบเอาชีวิตไม่รอดภิกษุผู้ไม่เอาใจใส่ในสิกขาก็เช่นเดียวกันข้อห้ามเล็กๆน้อย ก็เห็นว่าใหญ่โตปฏิบัติไม่ได้ประสูตรนี้แสดงว่าแต่เดิมไม่จำกัดเวลาฉันอาหารมีเรื่องเล่าว่าพระอุทายีไปบินทบาตเวลามืดค่ำชาวบ้านนึกว่าผีหลอกต่อมาตรัดห้ามฉันเวลาวิการปัญหาเรื่องการตีความคำนี้ไม่เหมือนกันดูข้อสังเกตข้างท้าย67 จตุมสูตรสูตรนี้พระพุทธองค์กำราบภิกษุที่ไม่สำรวมเอะสอะ่งเสียงดังให้สำนึกด้วยวิธีการรุนแรงคือประนามหรือขับไล่ไม่ให้เข้าเฝ้าภายหลังทรงให้เข้าเฝ้าแล้วตรัสสอนภัยของภิกษุสี่ประการคือคลื่นเปรียบการไม่อดทนต่อโอวาสจระเข้เปรียบการเห็นแก่ปากพ้อง วังวนเปรียบกรร ม, มคุณปาฉลามเปรียบสตรี 68. นันลละ ก, กับปานสูตรทรงสนทนากับราสาวกหลายรูปเช่นพระอนุรุทธะพระพัทยะถึงจุดหมายของการประพฤติปรมจันเรื่องอาสวะเรื่องการที่พระองค์ทรงพยากรณ์ว่า สาวกที่ตายไปคนไหนไปเกิดเป็นอะไรไม่ใช่เพื่อเรียกร้องให้คนนับถือว่าเก่งแต่เพื่อกระตุ้นให้เกิดศรัทธาแล้วอยากปฏิบัติ69โคลิสานิสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติของภิกษุอยู่ป่า17ข้อที่พระสารีบุตรเสนอให้พระป่าถือปฏิบัติพระมหาโมคลานะถามว่า พระบ้านไม่จําเป็นต้องถือตามนั้นใช่หรือไม่พระสารีบุตรบอกว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้แม้ผู้อยู่ป่าคนเดียวยังควรประพฤติผู้อยู่ชายบ้านอยู่ด้วยกันมากคนยิ่งจําต้องประพฤติเจ็ดสิบกีตาคิริสูตรพระอัศชีและพระอุณภกะ ไม่ปฏิบัติตามพระบัญญัติที่ให้ฉันมือเดียวยกเว้นเวลาวิการอ้างว่าฉันหลายมือคือเช้ากลางวันเย็นกลางคืนทำให้สุขภาพร่างกายดีแถมยังชวนให้รูปอื่นทำตามพระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระเหล่านั้นมาสอนเรื่องกุศลธรรมอกุศลธรรมและบุคคลเจ็ดประเภทซึ่งได้แก่อุปโตภาควิมุตตปัญญาวิมุตต กายสักขีทิฏฐิปั ต, ตะสัท ธ, ธาวิมุตติธรรมานุสารีและสัทธานุสารีปริภาโชกวร71จูเล่วัจโคตสูตรตอบคำถามของวัจโคตปริภาโชกว่าที่มีคนพูดว่าพระองค์เป็นสัพพัญญูเป็นการกล่าวถูกต้อง กล่าวว่าได้วิชาสามก็เป็นการกล่าวถูกต้องตรัสว่าขรือหัดที่มีกิเลสตายไปไปเกิดสุคตินับไม่ท่วนแต่พวกอาชีวกที่ไปสวรรค์ไม่มียกเว้นพวกที่เป็นกรรมวาทีและกิริยาวาทีพัุรายปิฎกฉบับยุโรปเรียกประสูตรนี้ว่าเตวิชวัชโคตสูตร เจสองอขีวัจโคตสูตรตอบคำถามของอขีวัจโคตะปริภาชกว่าผู้ที่มีจิตหลุดพ้นแล้วคือพระอระหันต์ดับขันแล้วไม่มีคำว่าเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเกิดด้วยไม่เกิดด้วยเกิดก็ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่พูดได้แต่ว่าดับสนิททรงปฏิเสธว่าไม่ใช่ทั้งหมด แต่เป็นการดับสนิทเหมือนไฟดับเพราะหมดเชื้อกล่าวถึงทิฏฐิสิบคือโลกเที่ยงหรือไม่เป็นต้นด้วย73ามหาวจชโคตสูตรแสดงกุศลธรรมและอกุศลธรรมทั้งสามประเภทและสิประเภทปริภาชกเห็นว่าพุทธศาสนามีบริษัทที่บรรลธรรมชั้นสูงมากมาย เกิดความเลื่อมใสทูลขอบวชเรียนสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุธรรม 74. ็บทีฆะนักสูตรโตตอบกับทีฆะนักบริภาชกผู้ประกาศว่าตนไม่ยึดถือทัศนะใดๆพระพุทธองค์ตรัสย้อนว่าที่ไม่ยึดถือนั่นแหละยึดถือสรงสอนเรื่องการละทิฏฐิ เรื่องเวทนาชี้ให้เห็นความไม่เที่ยงเมื่อรู้ว่าไม่เที่ยงก็เบื่อหน่ายหลุดพ้นในที่สุดผู้ที่มีจิตหลุดพ้นแล้วยังไม่วิวาดกับใครสิ่งใดที่เขาพูดกันในโลกก็พูดตามโวหารนั้นแต่ไม่ยึดถือพระสาวรีบุตรนั่งฟังอยู่ด้วยได้บรรลุอรหัตผลเพราะสูตรนี้เจ็สิบห้า มาคันธิยสูตรตรัสสอนมาคันธิยาบริภาชกเรื่องโทษของการมคุณทรงเล่าประสบการณ์ในผลหลังของพระองค์เองว่าเพียบพร้อมด้วยการมคุณอย่างไรมาก่อนจนเบื่อนายละทิ้งได้อุปมาการเห็นโทษในการมคุณไว้หน้าฟังมาก 76. สันทกสูตร บทสนทนาระหว่างพระอานนท์กับสันทกะปริภาชกเรื่องศาสดาที่ไม่ชื่อว่าประพฤติพรหมจรรย์สีประเภทและที่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่น่าพอใจสีประเภทและตอนท้ายพระอานนท์กล่าวว่าการประพฤติพรหมจรรย์ที่ได้ผลดีต้องสละกามสละอกุศลธรรมได้ฌานสีวิ ช, ชาสาม 77. มหาสกุลุท ธ, ธายิสูตรตรัสสอนว่าสาวกเคารพสการะพระองค์เพราะทรงมีคุณธรรมหข้อคือมีศีลแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งแสดงธรรมมีปาฏิหารมีปัญญาบอกข้อปฏิบัติแก่สาวกปฏิบัติตามมากมาย 78. สมณมุญทิกสูตร ทรงแสดงธรรมสิบประการที่ทำให้คนสมบูรณ์ด้วยกุศลทำให้เป็นคนดีโดยสมบูรณ์คืออเศะคธรรมสิบได้แก่มรรคข้อกับสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติบางครั้งเรียกว่าสัมมันตะสิบ9จจุลสกูลุทธายสูตร บทสนทนากับสกูลุธายิปริภาชกถึงเรื่องวันนะที่เยี่ยมที่สุดปฏิปทาที่ทำให้โลกมีสุขที่สุดปริภาชกล่าทัศนะของลัทธิตนให้ฟังแล้วพระพุทธองค์แสดงเหตุผลหักล้างแล้วตรัสแสดงข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุโลกที่มีสุขที่สุดตั้งแต่ขั้นชานจนถึงอาสวะขยะยาน 80. เวคณะสูตรคล้ายสูตรข้างต้นเวคณะปริภาชกพูดเรื่องวั น, นะที่ยอดเยี่ยมครั้นถูกซักเข้าก็ชี้ชัดไม่ได้ทรงแสดงเรื่องกามสุขในกามสุขที่เลิศกว่าสุขในกามคนที่เป็นอรหันตะขีนาศเท่านั้นจึงจะรู้ดีราชวัตร 81. อคติการะสูตรตรัสเล่าเรื่องคติการะคือช่างหม้อคนหนึ่งเมื่อครั้งสมัยพระพุทธเจ้าพระนามวักกัสปะให้พระอนุนฟังสูตรนี้แปลกที่ทรงเล่าเรื่องเก่าๆให้พระอนุนฟังโดยไม่มีการสอนธรรมะข้อใดแทรกเลยนอกจากจะหาเอาเองว่าแฝงแง่คิดอะไรไว้บ้าง 82. รัฐปาละสูตรประวัติพระรัฐปาละสาวกสำคัญรูปหนึ่งของพระพุทธเจ้าและธรรมเทศนาเรื่องธรรมุเทศสีที่พระรัฐปาละแสดงแก่พระเจ้าโกราพยะแห่งรัฐกุรุ 83. มะฆะเทวสูตร ส่งเล่าให้พระอานนท์ฟังเรื่องพระเจ้ามัคะเทพแห่งกรุงมิถิลาในอดีตเห็นศีรษะงอกแล้วเกิดธรรมสังเวทออกบวชเจริญพรหมวิหารสี่ตายไปเกิดในพรหมโลกแล้วส่งแสดงธรรมแทรกว่าข้อปฏิบัติที่ทำให้ได้ผลสูงกว่าพรหมโลกคืออริยมรรคมีองค์แปด84มัทุรสูตร เทสนาของพระมหากัจยานะแก่พระเจ้ามทุระแห่งแควนอวันตีเรื่องวั น, นะที่พวกพรามว่าวันนะพรามสูงกว่าวันนะอื่นเป็นเพียงการโอดอ้างเท่านั้นผู้ที่ประพฤติดีทางกายวาจาใจนั่นแหละประเสริฐสุดไม่ว่าจะเกิดในวันนะไหน8ปบหโพธิราชกุมารสูตร ทรงเล่าให้โพธิราชกูมานฟังว่าเคยทรมานกายต่างๆก็ไม่ตรัสรู้พอบำเพ็ญทางจิตจึงตรัสรู้เมื่อเขาทูลถามว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่จึงจะทำที่สุดโรมจรรันได้ตรัสว่าไม่ขึ้นกับเวลาแต่ขึ้นอยู่กับว่ามีคุณสมบัติพร้อมหรือไม่ในอัตถกถาธรรมบทว่าโพธิราชกูมารเป็นหมัน อยากได้บุตรชายพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่สำเร็จเพราะชาติก่อนเคยทำกรรมรากลูกนกแต่พระสูตรนี้ไม่พูดถึง 86. อสหงคุลิมาลสูตรเล่าประวัติพระองคุลิมานโดยละเอียดวาทะที่ทราบกันทั่วไปคือหยุดก่อนสมณนะเราหยุดแล้ว จงหยุดสัตยาธิษฐานของพระองคุลีมานภายหลังกลับกลายเป็นมนคลังไปทั้งที่ความจริงไม่ใช่ดูข้อสังเกตท้าย 87. ปิยชาติกสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าความโศกความปริเทวนาความทุกข์ความโทมนัสความรับแค้นใจ เกิดจากสิ่งที่เป็นที่รักคำสอนนี้เดิมทีพระเจ้าเะเสณที่โกศลไม่ปักใจเชื่อต่อเมื่อพระนางมาริกาช่วยชีย้แจงยกเหตุผลให้ฟังจึงเชื่อว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นเป็นจริง 88. พภาหิติยสูตรพระเจ้าเะเสณที่โกศลสดับเทศนาของพระอานนท์แล้วเลื่อมใส ถวายผ้าที่ทออย่างดีจกแควนพาหิติเป็นการบูชาธรรมะ89ธรรมะเจติยสูตรตรัสถามพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแสดงความเคารพพระองค์อย่างนอบน้อมยิ่งพระราชากราบทูลว่าที่เคารพอย่างยิ่งเพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติสิบประการ เก้าสิบกัรนากาทะละสูตรพระเจ้าปเะเสนที่โกศลทูลถามเรื่องสัพพัญยุตตาเรื่องวันนะเรื่องอธิเทพและเรื่องอธิพรมทรงอธิบายให้ฟังจนเข้าใจข้อหน้าคิดเกี่ยวกับวันนะคือไฟไม่ว่าจะเกิดจากไม้ชนิดไหนก็มีเปเลวสีแสงเหมือนกันคน ไม่ว่าจะมาจากวั น, นะไหนก็ไม่ต่างกันคุณธรรมเท่านั้นทำให้ต่างกันพราหมนวัรเก้าอพรมมายุสูตรแสดงอนุปุพีกถาและอริยสัจ ส, สีแก่พรมายุพรามผู้ถือเคร่งตำราทายลักษณะและเชี่ยวชาญพระเวท เ2สเซลสูตรเซล่พราหม์เห็นมหาบุริลสลักษณะครบจึงทูลเชิญให้พระองค์ไปครองราชพระองค์ตรัสว่าพระองค์เป็นธรรมราชาอยู่แล้วมีแม่ทัพธรรมคือพระสารีบุตรแล้วไม่จำเป็นต้องครองราชทางโลก 93. อสาอัศลายณะสูตร พวกรามหนุ่มชื่ออัศลายณนะอายุ16ปีผู้เชี่ยวชาญพระเวทไปโต้กับพระพุทธเจ้าเรื่องวันนะผลสุดท้ายอัศลายณะยอมแล้วมอบตนเป็นสาวกนี่อีกสูตรหนึ่งที่แสดงการโต้ตอบอย่างแหลมคมของพระพุทธองค์เกี่ยวกับเรื่องวันนะที่น่าศึกษายิ่ง94โคตามุขสูตร พระเถระชื่ออุเทนแสดงบุคคลสี่ประเภทและบริษัทสองประเภทแก่พรามชื่อโคตมุก95จังกีสูตรพรามหนุ่มชื่อกาปฏิกะตามจังกีพรามไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้โต้เถียงเรื่องต่างๆกับพระองค์คือเรื่องบทมนของพรามเท่านั้นจริงแท้เรื่องการรักษาสัจจะ เรื่องการตรัสรู้สัจจะเรื่องการบรรลุความจริงการปธิกะยอมรับเหตุผลของพระองค์96เอสุการีสูตรทรงสนทนากับเอสุการีพราหม์เอสุการีพราหม์เชื่อว่าคนวันนะสูงรับใช้คนวันนะต่ำไม่ได้ตรัสว่าวันณะไม่ใช่สิ่งกำหนดคุณค่าของคน ความประพฤติเท่านั้นเป็นตัวกําหนดเก้าสิบเจดนัญชานิสูตรพระสารีบุตรถามทนัญชานิพราหม์ว่าทำไมทำชั่วพราหม์บอกว่าเพราะความจำเป็นต้องหาเลี้ยงบุตรภันยาพระเทระบอกว่าจะอ้างความจำเป็นมาทำความชั่วไม่ได้เมื่อพราหม์ป่วยหนักใกล้ตายพระเทระมาแสดงธรรมโปรด วาเศรษฐูรว่าด้วยมาตรฐานการเป็นพราหมณ์ไม่ใช่อยู่ที่ชาติสกุลแต่อยู่ที่การกระทําความดีต่างๆในสูตรนี้พระพุทธเจ้าได้วางมาตรฐานของการเป็นพราหมณ์ในทัศนพุทธไว้มากมายเนื้อความเหมือนคถาธรรมบทในปราหมณาวักโปรดดูพุทธวัจนะในธรรมบทของผู้บรรยายในที่นี้หมายถึงท่านเจ้าของบทความนะครับ คือท่านศาสตราจารย์พิเศษสเทียนพงศ์วรรณปก 99. สุภสูตรสุภามานกแสดงทัศนะว่าเขาฤหัตบรรลุยานธรรมได้บรรพชิตบรรลุไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเรื่องนี้ตอบเป็นวิพัชชาวาทะคือแยกตอบเป็นเรื่องๆไม่ควรตอบแบบเอกังสะคือคลุมไปหมด ไม่ว่าบรรพชิตหรือเขา้าฤหัสถ้าปฏิบัติผิดก็ไม่บรรลุแต่ถ้าปฏิบัติถูกก็บรรลุได้ทุกคนในเรื่องอื่นๆก็เช่นกันหนึ่งร้อยสคาราวาสูตรโตเอยะมะนกถามถึงสมณะพรามพวกไหนที่อยู่จบรมจรรันบรรลุถึงฝั่งอย่างสมบูรณ์พระพุทธเจ้าตรัสว่า สมณะพราหมีหลายประเภทประเภทรู้ไตรเพศก็มีพวกนักเดานักคิดก็มีพวกที่รู้แจ้งธรรมะด้วยตนเองก็มีแล้วทรงเล่าประวัติของพระองค์ตั้งแต่เริ่มสแสวงหาทางพ้นทุกข์จนตรัสรู้